เนี่ยมาขึ้นข้อ174เลยนะดูความพิสูจน์ทั้งหลายก็เมื่อบุคคลรู้อย่างไร <c oughs> เห็นอย่างไรอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลําดับดูความพิสูจนทั้งหลายปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับแล้วไม่ได้เห็นพระอริยะเจ้าทั้งหลายไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ได้รับแนะนําในอริยธรรมไม่ได้เห็นสัพบุรุษไม่ฉลาดในสัพพุริสธรรมไม่ได้รับแนะนําในสัพพุริสธรรมแปลรวมรวมว่าไม่เห็น ไม่ได้ฟังอริยศาสตร์เลยไม่มีวินัยสองแยกเป็นสิบเลยางั้น <c oughs> พวกนี้ย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาอัน น, นคือรูปกับอัตตานี่คือสิ่งเดียวกันอุปมาเหมือนกับเปลวไฟและสีของของสีอ น, น, นเปลวไฟกับสีของไฟนี่อันเดียวกันใช่เพราะฉะนั้นพวกนี้เห็นรูปโดยความเป็นอัตตาถ้าใครที่เห็นแบบนี้นะ ในกลุ่มอุเฉทิถิใช่ไหมดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็การตามเห็นดังนั้นแลเป็นสังขาร น, นะตัวที่เข้าไปคิดหรือตัวที่เข้าไปรับรู้อารมณ์อ่ะนะตัวที่ไปคิดว่ารูปเป็นอัตตาตัวความรู้อันนั้นความคิดอันนั้นเป็นสังขารก็สังขารนั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุก่อให้เกิดขึ้นมีอะไรเป็นผู้ก่อกอกก่อเกิด มีอะไรเป็นต้นกำเนิดนะก็คือมีอะไรเป็นปัจจัยสมุทัยนิทานตปภาวะนั่นแหละดูก่อนพี่สูจนทั้งหลายสังขาร น, นั้นเกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้นแก่ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วผู้อันความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่อวิชชาสัมผัสเนี่ยถูกต้องแล้วใน ในสประการเนี่ยนะก็แยกมาอีกแยกมาเป็นสี่หนึ่งสองสามสี่ข้อหนะึ่งเห็นรูปโดยความเป็นตนเนี่ยนะข้อสองก็ตนเนี่ยมีรูปสามเห็นรูปในตนก็สี่เห็นตนในรูปเนี่ยนะ <c oughs> ตัวความเห็นอันนั้นเป็นตัวที่เข้าไปเห็นเห็นรูปโดยความเป็นตนอันนี้เป็นสังขารนไหมทีนี้สังขารเนี่ยมีอะไรเป็นสมุทัยปัจจัยนิทานแดนเกิดสังขารอันนั้นก็เพราะมีตันหาทีนี้ตันหาอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากอวิชชาสัมผัส นนะเกิดจากเวทนาย้อนครั้งนะตันหาเกิดจากเวทนาเวทนาเกิดจากอานะอวิชชาสัมผัสก็ได้ทั้งหมดเนี่ยคือสัมปยุตตปัจจัย ในดวงเดียวกัน น, นั่นแหละเพราะว่าสังขารตัวนี้เนี่ยนะเป็นอะไรทิฏฐินะเป็นทิฏฐิเจตสิก ท, ที่เกิดร่วมกับตัณหาหมายถึงโลภมูลจิตสี่ดวงเนี่ยนะที่เป็นทิฏฐิกะตะสัมปยุทธสี่ดวงเนี่ยนะกที่ตัณหาเกิดก็เพราะเวทนาที่เป็นเวทนาก็เพราะอาวิชชาสัมผัสเนี่ยนะ ก็ว่าโดยรวมๆอ่ะตรงนี้คืออะไรสังขารหรือถ้ายอ้อนในครั้งหนึ่งนะพบเกิดจากอุปาทานอุปาทานเกิดจากตัณหาก็เท่ากับ3ามคำนั่นนะก็มาจากกล่มวิบากเป็นปัจจัยนั่นเองเนี่ยนี่วิบากเหล่านั้นเกิดจากกรรมถ้าสังเกตนิดนึงว่า เห็นรูปโดยความเป็นอัตตานะตัวรูปเนี่ยได้รับการขยายมาเป็นอย่างมากแล้วจากสูตรก่อนๆว่ารูปคืออะไรประกอบไปด้วยอะไรความจริงของรูปเป็นยังไงเนี่ยถือว่ารู้กันมันพระพุทธเจ้า ส, สอนวิปัสสนาในอารมณ์นี้ทันทีคือเน้นวิปัสสนาที่สังขารตันหาเวทนาอวิชชาสัมผัสไปเลยเนี่ยนะถือว่ารู้กัน ท่านเน้นสัมปยุตต์ปัจจัยนะนะแต่ในขณะเดียวกันนี้ถ้าการแสดงแบบนี้นะอุปนิสัยปัจจัยก็ถือว่าแสดงด้วยแล้วนะนะดูความพิสูน์ทั้งหลายด้วยประการชนิแลแม้สังขารนั้นก็ไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นแม้ตัณหานั้นแม้เวทนานั้นแม้ภาษะนั้นแม้อวิชชานั้นก็ไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อบุคคลรู้แม้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้อาสะวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปโดยลำดับอนะันส่นนี้เน้นอนิจจานุปัสสนาอย่างเดียวนเอนะ่เอเน้นตัวตัวที่เป็นอารมณ์ของอนุปนัสสนา1สังขาร2ตัณหา3เวทนาเอา่อสีอวิชชา5สัมผัส แล้วก็คูณด้วยอันนะธรรมะเจอย่างก็คืออันนี้อนนีจังใช่ไหมอันนี้จังสังขตังปฏิจจธรร ม, มังขยธรร ม, มังวยธรร ม, มังนิโรธธรร ม, มังแล้วก็วิปริณามธรร ม, มังนนะก็คือตามเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะถ้าตามเห็นแบบนี้อาสวะจักสิน้น นะการ ม, มาสะวะภาะวะาสะวะทิฐาสวะอวิชชาสะวะ น, นี่จักสิ้นไปเพราะตามเห็นแบบนีนะ้แต่อย่าลืมว่าคนที่จะเห็นแบบนี้ได้นะเรื่องรูปนี้เขารู้ดีมาแล้วใช่ไหมพื้นฐานเรื่องรูปนี่ถือว่ารู้มาเป็นอย่างดีแล้วนะนะจึงมาตามเห็นหรือตามเจริญวิปัสนาที่เป็นอนิจจาะนะอย่างนี้เรียกว่าอานิจจานุปัสนา นะที่เป็นอนิจจานุปัสสนในธรรมะเหล่านี้เลยเนี่ยนะถ้าเจริญตามนี้ถ้ากล่าวอนิจจานุปัสสนานะทุกขานุปัสสนาชื่อว่ากล่าวแล้วไหมเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์แล้วสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งเหล่านี้ว่านี่คืออัตตานะนี่บริขารของอัตตาเป็นต้นนะก็ไม่ควรใช่ไหควรไม่ที่จะเบื่อหน่ายใน เสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเพราะถ้าเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดถ้ารู้เห็นอย่างนี้ก็อาสะวะก็สิ้นเนี่ยนะถ้าเข้าใจข้อที่หนึ่งแล้วนะข้ออื่นๆก็แบบฟอร์มเดียวกันหมดเลยส่วนข้อหนึ่งเจ็ดห้านะว่า ปุตุชนย่อมไม่ตามเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเลยบางคนนะบางคนเขาไม่ได้คิดว่ารูปเป็นอัตตาใช่ไหมแต่แต่ว่าตามเห็นอัตตาเนี่ยมีรูปตัวอัตตาของเขาคืออะไรอัตตาของเขาคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเขาถือนามมาทำว่าเป็น อ, าาอัตตาไออัตตาเนี่ยมันมีรูปเนี่ยนะอัตตาเนี่ยเป็นเจ้าของของรู ป, ปขันเหมือนั้นแท้ เหมือนอะไรเหมือนต้นไม้มีเงาวางกันเถอะเหมือนต้นไม้มีเงาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายการตามเห็นดังนั้นเป็นทิฏฐิเอ่อ أ, ขออภัยเป็นสังขารก็สังขารนั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นมีอะไรเป็นผู้ก่อเกิดมีอะไรเป็นต้นกําเนิดดูก่อนพิสูจทั้งหลายสังขารนั้นเกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับผู้อันความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่วิชาสัมผัสถูกต้องแล้ว ดูความพิสูจทั้งหลายด้วยประการชนิแล αι, แม้สังขารนั้นก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นแม้ตัณหานั้นแม้เวทานานั้นแม้ผัสสะนั้นแม้อวิชานั้นก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะดูความพิสูนทั้งหลายเ <ME Y> ER มื่อบุคคลรู้อย่างรู้อยู่แม้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้อาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปโดยลาดับเนี่ยนะอันนี้ก็ วิธีบรรลุปเป็นธาตหันนัยยะที่สองเห็นไหมสับไหนทำไมไม่ใช่เป็นทิฏฐิไปเลยทิฏฐิก็คือสังขารนะอ้าว อ, อ, าอา้วกักลงก็ตอบเองนะทั่เหนเพราะว่า คือชัดเนี่ยค ำ, คำคำว่าชัดเนี่ยคือเราอะชัดแต่ท่านภิกษุที่ฟังตรงนั้นเนี่ยไม่ชัดเนี่ยนะเพราะว่าผู้ฟังเขาฟังจบนี่เขาบรรลุห้าร้อยอะนะของเราชัดของเรานี่อาจจะบางจบก็ธรรมดาผ่านไปอีกหนึ่งสูตรยางไงนก็เ อ, เอาเอาเอาท่านที่ที่ฟังตรงนั้นเป็นเกณฑ์ของเรานี่ก็ถือว่าผลปลอยได้ที่ได้มาฟังของท่า น, น เ, น, เานี่ย น, น, นะ เหมือนกันหมดเลยธรรมะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอนิจเน้นอนิจจังอย่างเดียวเนี่ยนะเน้นอนิจจานุปัสสนาคือตามเห็นตัวทิฏฐิเหล่านั้นเนี่ยโดยความเป็นของไม่ไม่เที่ยงอันนะตามเห็นตัณหาเห็นเวทนาเห็นพัสะเห็นอวิชชาโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยตรุงแต่งะนะธรรมะกลุ่มนี้ทั้งหมดที่ที่กล่าวไปเนี่ยนะเน้นอนิจจังอย่างเดียวประกาศอานิจจารักษณะ ข้อสองก็ผ่านไปนะเป็นพาดอัหารหอีกแล้วข้อที่สามบอกว่าปุถุชนไม่ตามเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเลยย่อมไม่ตามเห็นอัตตามีรูป น, นะอย่างที่หนึ่งที่สองก็ไม่ใช่ลนะแต่ว่าตามเห็นรูปเนี่ยในอัตตาเนี่ยนะรูปนี้มันอยู่ข้างในอัตตาอีกทีหนึ่งนะเหมือนอะไรเหมือนกับกลิ่นเนี่ยมีอยู่ในดอกไม้เนี่ยนะ ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็การตามเห็นดังนั้นแลเป็นสังขารก็สังขารนั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นผู้ก่อเกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนพิสูุนทั้งหลายสังขารนั้นเกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้มิได้สดับผู้อันความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่อวิชชาสัมผัสถูกต้องแล้วดูก่อนพิสูจนทั้งหลายด้วยประการชนิแลแม้สังขารก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้น แม้ตัณหานั้นแม้เวทนานั้นแม้ภาษะนั้นแม้อวิชานั้นก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อบุคคลรู้อยู่แม้อย่างนี้เห็นอยู่แม้อย่างนี้อาสะวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปโดยลําดับเห็นไหมส่วนข้อ177นี้ก็เป็นข้อที่สที่เขียนให้ในกระดาษ น, นะว่า บุถุชนย่อมไม่ตามเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเลยย่อมไม่ตามเห็นอัตตามีรูปไม่ตามเห็นรูปในอัตตาแต่ว่าตามเห็นอัตตาในรูปอัตตานี่มันอยู่ข้างในรูปนะเหมือนอะไรเหมือนแก้วมันีในขวดหรือเหมือนกับแก้วมันีมันอยู่ในหีบนะเหมือนเพชรอยู่ในในตลับอย่างนี้ก็ได้คล้ายๆนั่ก็การตามเห็นนั่นแลเป็นสังขารก็สาวไปว่าสังขารมีอะไรเป็น ต้นเหตุเป็นเหตุให้เกิดเป็นผู้ก่อเกิดมีอะไรเป็นต้นกําเนิดบอกว่าสังขารนั้นเกิดจากตัญหาที่เกิดขึ้นแก่ปุตชชนผู้มิได้สดับผู้อันความเสเวย อ, อารมณ์ที่เกิดแต่วิชาสัมผัส ถ, ถูกต้องแล้วดูก่พิสูจนทั้งหลายด้วยประการชนนี้แลแม้สังขารนั้นก็ไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นแม่ตัณหาแม่เวทนานั้นแม่ภาษะนั้นแม่อวิชานั้นก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นดูความพิสูจนทั้งหลายบุคคลรู้อยู่แม้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้อาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปโดยลำดับที่ท่านสิ้นอาสวะได้เนี่ยนะการรู้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างที่ว่าไปเนี่ยพ้นพ้นการเจริญโพธิปัจจธรรมม พ้นไมไม่ไม่พ้นเลยนะอย่างที่กล่าวว่าเห็นสังขารตัณหาเวทนาอาวิชชาและก็สัมผัสตามเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะตัวที่ตามเห็นอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวิปัสนา ใช่ตัวที่เห็นนะ่ะคือวิปัสนาถ้ายกวิปัสสนานะธรรมะเหล่านี้เท่ากับแสดงหมดแล้วเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่จะเจริญสมรรถวิปัสนาได้ก็ต้องมีสมถะคนที่มีสมถะคืออะไรบริบูรณ์ด้วยศีลกับสมาธิผู้ที่บริบูรณ์ด้วยศีลคืออะไรถ้าว่าตรงๆนะศรัทธาเขาดีเนี่ยนะแล้วยังมีฉันทิติบาทเนี่ยนะมีฉันทดี และยังมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่เป็นอย่างดีส่วนสมาธิก็โพธิปักธรรมะอื่นๆอีกส่วนปัญญาก็คือตัวปัญญีสีนะนะวิมังสิติบาทปัญญีสีปัญญาภะละธรรมะวิจยสัมโพชฌงและสัมมาทิฐินะนะแล้วก็สัมมาสังกปะด้วยพวกนี้จะเป็นวิปัสสนาเพรา ะ, ะนั้นถ้า การกล่าวว่าไปตามเห็นสังขารเห็นตัณหาเวทนาอาวิชชาพัสสะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะการประกาศเช่นนี้เท่ากับกล่าวธรรมะกลุ่มนี้บริบูรณ์แล้วเนี่ ย, ยจะเห็นว่าประกาศอริยสัจเบ็ดเสร็จแล้วคือพวกนี้ทั้งหมดนะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกขสัจ ตัวที่เข้าไปยึดถือไปเห็นผิดในขันทั้งหมดเหล่านั้นเป็นสมุทัยสัตว์เนี่ยนะรู้ปัญญาเหล่านี้ที่มารู้เห็นเอ่อพวกนั้นโดยความเป็นของไม่ที่ยังเป็นต้นก็เป็นกลุ่มมัคคสัตว์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ชื่อว่าประกาศอริยรสัจสี่ทุกในเนี่ยนะส่วนนิยะอื่นๆก็เหมือนกันหมดนะเวทนาขันก็มีสี่ข้อสัญญาขันก็สีข้อสังขารขันก็สีข้อ วิญญาณาคัรก็สีข้อแต่งของเราก็ผ่านสบายมากมาดูข้อหนึ่งร้อยเจ็สิบเก้าเลยนะเอ า, อาที่มันต่างๆกันหน่อยพิเศษพิเศษแล้วที่เหลือก็เหมือนเหมือนกันเังเกตดูนะแต่ว่า คือสรุปว่าปุตุชนเนี่ยไม่ได้เข้าไปเห็นด้วยอานาจสกายะทิฐิทั้งยี่สิบข้อนะตามตามเหล่านายะนั้นเลยแต่ว่าเป็นผู้มีทิฏฐิว่าอัตตก็อันนั้นโลกก็อันนั้นเรานั้นละโลกนี้ไปแล้วจักเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนมั่นคงมีความไม่เปลี่ยนแปลง เ, เ, เป็นธรรมดาเนี่ยนะคื อ, ไ อ, ไ, อไอ้คนนี่มันเข้าใจผิดว่าไอ้ตัวอัตตาเนี่ยนะมันไม่ใช่ขันห้าเนี่ยนะ มันมันอีกอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ขันห่านะไอตัวนี้แหละมันจะเที่ยงมันจะไปยั่งยืนในภพนั้นนั้น่นนะมันไม่ใช่ขันห่าอันนะั้คือเขายอมรับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงแต่ไออัตตาของเขานี่มันเที่ยงเดี๋ยวนถ้าใครไปอ่านอกระถาวัตถุนี่จะเห็นชัดนะไนเพื่อยึดถือแบบนี้เนี่ยโหยึดถือจริงๆนะแก้ยังไงก็ไม่ใช่ว่าจะแก่ง่งายๆเขาบอกว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงบอกไม่เที่ยง แต่อัตตาที่อยู่ในรูปนะั้นหรือความเป็นบุคคลในนะั้นอ่ะมันเที่ยงเอาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาถือว่าไอ้อัตตาอันนี้ถ้ามันละอ่ะนะถือถ้าขันเหล่านี้มันแตกทําลายไปนะัมันจะไปเที่ยงมันจะไปมั่นคงจะไปถาวรอยู่แล้วที่นั้นเนี่ยนะก็ซึ่งก็มีไม่น้อยใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณมันไม่เที่ยงมันอยู่ในโลกนี้แหละแต่ว่าไอ้ตัวอัตตาเนี่ยที่มันจากขันอันนี้ไปเนี่ยมันจะไปอยู่ในภาวะที่เที่ยงนั่นนะมีไหมแบบนั้นนะั่นนะ มีไม่ใช่น้อยเลยนะมีไม่รู้อะมีขันพิเศษก็แล้วกันมีขันพิเศษหรืออัตตาพิเศษเ ก, าาเก็แล้วแต่จะเรียกอะแต่ว่ามันมีจริงๆริงไหล่ะไม่ในมีมันคิดขึ้นเฉยเฉยเนี่ยนะดูกรที่สูนรทั้งหลายก็ทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงเช่นนั้นก็เป็นสังขารเนี่ยนะสังขารนั้นมีอะไรเป็นเหตุก็เนะี่ย มีอะไรเป็นผู้ก่อเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดก็สังขารนั้นเกิดจากตัณหาที่ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับอันความสเสวยอารมณ์เกิดแต่วิชาสัมผัส ถ, ถูกต้องแล้วนะก็ตามสูตรก็คือด้วยประการชนี้แลสังขารนั้นก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นแม้ตัณหาแม้เวทนาแม้ภาษะแม้อวิชาก็ไม่เที่ยงอัน อาสัยเหตุเกิดขึ้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้อาสะวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปโดยลำดับเห็นไหเพราะไอ้ความคิดอันนั้นก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งนะที่ไปคิดแบบนั้นขึ้นนะก็ไปวิจัยว่าไอ้ตัวนั้นก็คือความคิดชนิดหนึ่งเท่านั้นเลยเป็นสังขารชนิดหนึ่งข้อหนึ่งร้อยแปดสิบนะบรรทัดสุดท้ายสองสาท้ายสุดเลยบรรทัดล่างสุดของหน้า ของข้อร้อยแดิเนี่ยนะหน้าสองอยี่ะนะคือเขาไม่ได้คิดแบบแบบกลุ่มที่ผ่านมาหรอกอะนะไม่ได้คิดแบบยี่สิบเ็ดพวกที่กล่าวเขาคิดแบบใหม่ว่าแต่แต่ว่าเป็นผู้มีทิฏฐิเช่นนี้ว่าเราไม่พึงมีและบริขารของเราไม่พึงมีเราจักไม่มีบริขารเราจักไม่มี ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็ทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์เช่นนั้นเป็นสังขารนะพวกนี้มันกลับเป็นอุเฉชใช่ไหมมันไม่ไปคิดว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวอัตตามันไยเที่ยงแต่บอกมันจบหมดเลยว่างกันเถอะศูนย์มีอะไรเหลือเพราะอะไรก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอ่ะนะศูนย์หมดเลยดูก่อนพิสูจน <edd ue, S 2> ทั้งหลายก็ทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์เช่นนั้นเป็นสังขารนะนะก็ตามตามสูตรนั่นเองนะอันนี้กลุ่มที่22นะเป็นอุเฉชถ้าทิฏฐิ ส่วนที่เหลือก็ตะเหมือนกันเกือบหมดส่วนข้อ181เนี่ยนะกลางๆหน้าว่าเขาไม่เห็นแบบ22พวกที่ผ่านมาหรอกเขาเห็นแบบใหม่ว่าแต่ว่ายังเป็นผู้มีความสงสัยเครือบแคลงไม่แน่ใจในสัตยธรรมสรุปเนี่ยพวกนี้ก็คือถ้าถ้าเรียบเรียงมานะเขาบอกว่าพวกนี้อยู่ข้างในนี่แหละไม่ค่อยเชื่อคําสอนหรอกพวกนี้วิจิกิจฉาคือความไม่แน่ใจในสัตธรรมอ่ะนะพวกไม่แน่ใจในสัตยธรรมคือพวกไหน ก็พวกที่ฟังทำแล้วนั่นแหละไม่ค่อยเชื่อไม่มีศรัทธานะดูกรพิสูจนทั้งหลายก็ความเป็นผู้สงสัยเคลือบแคลง้งไม่แน่ใจในสัต ร, รรมเช่นนั้นเป็นสังขารนะก็สังขารนั้นมีอะไรเป็นเห ต, มเเหตุมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นผู้ก่อเกิดมีอะไรเป็นต้นกําเนิดดูกนพิสูจนทั้งหลายสังขารนั้นเกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับอันความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่อวิชชาสัมผัสถูกต้องแล้ว ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายด้วยประการชนีิแลแม้สังขารนั้นก็นไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นแม้ตัณหานั้นแม้เวทานานั้นแม้ภาษะนั้นแม้อวิชานั้นก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อบคุคคลแม้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้อาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปโดยลำดับเนี่ยนะก็รู้อย่างนี้ก็ละกิเลสได้แบบนั้นเถอะพวกนี้ก็ให้เห็นว่า ตามเจริญอนิจจานุปัสสนาในวิจิกิจชนั่นแหละเนี่ยนะในวิจิกิจชาเอ๊วิจิกิจชานี่มีมีตันหาเป็นปัจจัยด้วยหรือบอกมีแต่ด้วยอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยนะก็คนที่ยังมีตันหานั่นแหละจึงยังสงสัยเนี่ยนะถ้าหมดตันหาแล้วจะสงสัยไหมก็ไม่สงสัยแล้วเนี่ยนะมันตันหานั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดความลังเลและสงสัยขึ้นเพราะนั้น ตัวความสงสัยนั้นก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเห็นะเพราะฉะนั้นก็สรุปก็ทั้ง23าในบอกว่าพอจบสูตรนี้อตกถาบอกว่าบรรลุ500เนะี่ยนี่เอามาจากไหนห้า 500. บอกว่าในสูตรนี้ตรัสวิปัสสนานะตรัสวิปั ส, สนาจนถึงอรหัตผตลไว้ในยี่าฐานะในสูตรนี้นะแสดงว่าบรรลุห้ารอนี่จําผิดเป็นต้องเป็นสูตรหลังนะนี่นะแต่ว่าเพราะในสูตรนี้พระองค์แสดงอรหัตตผลไว้ยี่สามฐานะนะทุกๆฐานะเนี่ยพิจารณาแล้วก็บรุลุอรหัตผตลได้หมดเลยนั่นนะถ้าจําสกายาทิถียีสิบได้แล้วนะก็ บวกสัตตะทิฏฐิบวกอุเชททิฏฐิและบวกวิจิกิจฉาอีกหนึ่งเนี่ยนะก็ยี่สิบสามฐานนะทุกๆอย่างนั้นจ ะ, จะเจริญอนิจจานุปัสสนาได้หมดเลยสูตรนี้มีใครติดใจอะไรบ้างไหนเะนอ๋อหมอยพุพินชอบอนะสูตรนี้แปลว่าถูกอัธยาศัยคนหนึ่งก็ยางนี่ ยังงงๆอยู่ก็อยงว่าไอ้ตนนงครับผมว่าทฟังดยใ่ในแก้วในขวดอะไรคือแก้วแก้วมันีในขวดอ่ะไม่รยังไงว่งงง อันนว่าโดยรวมๆนะความจริงในโลกนี้ทั้งหมดคือขันห้าหมดเลยเอาก่อนนะว่าว่าโดยโดยสัจจะประมาติะนะขันห้าซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมีอยู่ห้าอย่างนี้เท่านั้นนะทีนี้อีกคนกลุ่มหนึ่งมันคิดว่ารูปเนี่ยคืออัตตาเนี่ยนะรูปนี้อันเดียวกันกับอัตตา ว่าอัตตาอันใดรูปกว่าอันนั้นถามว่าเหมือนอะไรเหมือนเขาบอกว่าสัตว์เนี่ยความจริงสัตว์คือสมองสมมตินะว่าสมองคือคนคนคือสมองคือ ส, ออสิ่งเดียวกันถ้าสมองแตกทาลายหมดจบกันอันนั้คือลักษณะเนี่ยนะอันนี้หรือไม่อีกคนหนึ่งบอกรูปคือหัวใจหัวใจคือรูปเพราะฉะนั้นถ้าหัวใจแตกทาลายนะมันหมดจบกันหรืออาจจะบอกทั้งหมดนั่นแหละ หรือจะอย่างไงอย่างหนึ่งก็ตามหรือจะไปคิดมันละเอียดหรืออะไรก็ช่างแต่สรุปว่ามันคือยึดถือว่ารูปรูปคืออาตาัตราเนี่ยนะรูปเท่ากับอาตาัตราเนี่ยนะอันนี้คนที่หนึ่งนะอุปมาเหมือนกับเปเลวไฟหรือสีของไฟเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันตัวตัวเปเลวนะ ลุกๆขึ้นมากับสีของตัวนี้มันคือสิ่งเดียวกันว่างั้นแนทะ้อันนี้ประเภทที่หนึ่งเป็นทิฏฐิที่ไปเข้าใจแบบนั้นเองเหรอเนะ่เพราะการการไปคิดแบบนั้นมันก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งในชะ่ที่ที่ไปเข้าไปคิดไปยึดอนะนะอันนี้ทิฏฐิข้อที่หนึ่งทิฏฐิข้อที่สองก็บอกไอ้เจ้านี้มันจะมันจะละเอียดมันจะฉลาดกว่าพวกรูปหน่อยบอกว่าไม่ใช่ อัตตามันมีรูปต่างหากเรูปไม่ใช่อัตตาหรอกอัตตามันอีกอย่างหนึง่งแต่อัตตานี่มันมีรูปเอาแล้วอัตตาของเขาคืออะไรเขายึดถือว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยว่าเป็นอัตตาไออัตตาตัวนี้มันมีรูปเหมือนอะไรเหมือนกับต้นไม้มีเงา คือเขาแยกว่าอัตตาเนี่ยอย่างหนึ่งรูปอีกอย่างหนึ่งอัตตาเนี่ยมันคนละอย่างของรูปแต่อัตตานี่มันมีรูปงั้นเถอะเขาคิดแบบนี้นะอันนี้เป็นทิฏฐิอย่างที่สองแล้อย่างที่สามบอกไม่ใช่หรอกที่คุณว่าไม่ใช่มันต้องบอกว่าไม่ใช่อัตตามีรูปนะรูปเนี่ยมีอยู่ในอัตตาอันนะ รูปนี้มันมันมันอาศัยอัตราอยู่นะถ้าอัตราแตกทําลายรูปนี้แตกทําลายด้วยเพราะฉะนั้นรูปมันตัวอาศัยอัตราอยู่นะเหมือนอะไ ร, รอ่านะกลิ่นในดอกไม้ดอกไม้ก็อย่างหนึ่งกลิ่นก็อย่างหนึ่งใช่ไหมพวกนี้ก็เลยถือว่ารูปเนี่ยมันเหมือนกับกลิ่น อัตตานี่เหมือนกับดอกไม้เพราะฉะนั้นรูปเนี่ยมันอยู่ในอัตตาอีกพวกหนึ่งบอกเขาคิดอีกอย่างหนึง่งบอไม่เหมือนอะไม่ใช่อะ่ะมันต้องอัตตาเนี่ยในรูปสินะอัตตาเนี่ยมันอยู่ข้างในรูปนะเหมือนอะไรเหมือนแก้วมันีในขวดเพราะอะไรอัตตานี่เหมือนกับเพชรว่าั้นต่เอามาเหมือนกับเพชรเพชรอยู่ในอะไรอยู่ในตลับหรือในเพะ อ, อบอะไรก็ว่าไปไหมเพชรอยู่ในอะไร จ้างการอนในในในในตู้เซฟอย่างเงี้ยนะนะเหมือนเพชรในตู้กระจกตู้เซฟ ต, ตัวอะไรก็ว่าไปนะหรืออยู่ในตลับอยู่ในอะไรนะเพราะเขาถือว่าอัตตามันเป็นเพชรใช่ไหมแต่เพชรอันนี้มันอาศัยอยู่ในในหีบในขวดในกระปุกในอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นสรุปแล้วมันก็ยึดขันห้านะแต่มันยึดกลับไปกลับมาเท่านั้นเองในเดียวกัน เข้าใจอัตตาเนี่ยหมายถึงว่าคำว่าอัตตานี่ก็ได้แก่สัตว์ okay. <c oughs> แปลว่ารูปเป็นสัตว์สัตว์เป็นรูปรูปในสัตว์สัตว์ในรูปอย่างนี้ก <c oughs> <c oughs> ็ถ้าถ้าถามแบบนี้นะจะต้องรอสูตรหลังๆไปเพราะจากกละแก้ลับที่อันนี้ในตอนหลังเนี่ย น, นะทีนี้อถ้าตั้งคำถามว่าอันนี้มันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความคิดเฉยๆนะแล้วจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดอนะนะพวกนี้มันเป็นความอะไรอะ ความเห็นผิดที่ไม่ต้องไปคิดตามเนี่ยนะถ้าใครไปคิดตามเหมือนกับบอกว่าเขาเขามีเอคนบ้าคนหนึ่งคนบ้าคนนี้นะเขาบอกว่ามแมลงสาบเนี่ยนะมันรับคำสั่งที่ขาเขบาขอบอกงั้นเขาบอกเขาไม่เชื่อหร อ, อก็บอกไม่เชื่อผมจะทำให้คุณดูเขาไปเก็บมแมลงสาบมาใส่กล่องไม่ขีดไว้ไอเชื่อนะ เขาเก็บไว้องแมลงสาบไว้หลายตัวเขาก็เอาเด็ดขามแมลงสาบทิ้งให้หมดเสร็จแล้วเขาบอกนี่นะผมเนี่ยตัดข้อมูลการรับรู้ของมันแล้วปล่อยบอกวิ่งมันไม่วิ่งเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่มันมันรับรู้ที่ที่ขาเหมือนกันก็บอกว่าเขากเอาอีกตัวหนึ่งมาเปรียบเขาบอกว่าเห็นไหมอีกตัวหนึ่งผมไม่เด็ดขามันนะมันบอกวิ่งมันก็วิ่งเลยก็ไม่ได้เด็ดขามั้ย ถามว่าเราควรไปคิดตามไหมคนประเภทนี้ตักวก่ถ้าคิดตามนะคุณเนี่ยบ้าไปคนนั้นนคงัคำว่าอัดใจความหมายจริงงมันคือเขาเข้าใจว่ามันคือสัตว์หรือว่าคือตัวเขาเองอะ่ะตัวเขาแท้ๆคืออันนั้นเออคือไอ้อัตตาเนี่ยมันเป็นเป็นนิยามที่ที่คิดถ้าเป็นภาษาไทยอาจจะว่าเราอย่างงี้ก็ได้นะ สมมติว่าถ้าใช้คําว่าเราแทนนะนะแต่คําว่าเรามันเป็นศัพท์ที่กว้างเกินไปแต่ว่าถ้าจะลองดูนะเราก็คือรูปรูปก็คือเราเนี่ยข้อที่หนึ่งข้อที่สองบอกว่าเราอ่ะไม่ใช่รูปหรอกแต่เราเนี่ยมีรูปอีกเจ้าหนึ่งก็บอกว่ารูปเนี่ยมันอยู่ในเราแต่ว่าไอ้เจ้าหนึ่งบอกว่าเราเนี่ยมันอยู่ในรูปเนี่ยนะมันก็คิดว่ามันก็ไปเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นเราเนี่ยนะหรือเอาภาษาหลวงพ่อคูณก็ได้ก็จะใชชัดสําหรับบางท่านนะ ที่ชอบดูเดือดหน่อยแต่ก็จริงๆเนี่ยพวกนี้มันเป็นมันคิดความคิดขึ้นเท่านั้นแหละพระองค์จึงบอกว่าไอ้ความคิดอันนี้มันก็เป็นสังขารมันคิดขึ้นทั้งนั้นแหลยเนี่ยนะสังขารเกิดจากอะไรกเกิดจากตัณหาตัณหาก็เกิดจากเวทนาเวทนาเพราะอะไรเพราะอาวิชชาสัมผัสเพราะคนพวกนี้ไม่เห็นอริยสัจแนั้นเถอะ พอไม่เห็นอริยสัจก็เข้าไปคิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเนี่ยนะพอทำท่าไปคิดตามพวกนี้ป่วยแนะ่เนี่ยนะเพราะว่าถ้าคิดตามนี้ปั๊บนะครับลทัทธิข้อปฏิบัติในโลกมันจะเริ่มเกิดขึ้นมาเนี่ยนะพวกนิกายในอินเดียตรงๆเลยนะครับเกิดจากลทัทธิเหล่านี้ที่ไปทําตัวทรมานอย่างหน้าหนาวอย่างนี้คนอื่นเขาหาผ้าหม่มอุ่นๆมาหม่มใช่ไหมพวกนี้อาบน้ํา ล้างบาปอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะแต่เคลวกินบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นพวกล้างบาปก็พวกนี่คือสำคัญว่าเช่นพวกถือว่ารูปเป็นอาัตตาก็ไปล้างรูปให้มันสะอาดเนี่ยนะพวกนั้นก็ยึดถือหลายกลุ่ ม, มนะแล้วแต่แล้วแต่ว่าไปรับคำสอนจากใครมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะ อ, อ๋ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ออกอยู่แล้วถ้าไม่ไม่เรียนเรื่องขันห้ามาก่อนนะถ้าไม่เรียนขันห้าว่าอะไรคือขันห้าอะไรคือรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคืออะไรนะถ้าไม่เรียนมาเลยเนี่ยมันจะแยกอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยนะถ้านี่แหละพันพงบอกว่าทิฏฐิอันนี้เกิดจากอะไรบอกเกิดจากปุตชนผู้ไม่ได้สดับเกิดจากไม่ได้สดับอริยธรรมเนี่ยนะเกิดจากการไม่ได้ฟังธรรมะของพระอริยะ เพราะฉะนั้นก็ไปคิดวิปลาดต่างๆ น, น, นานาดีไม่ดีไปคิดว่าต้นกล้วยนี่มันยังไงมีวิญญาณเข้าไปอีกเพราะนั้นไปขอโชคขอลาบไปดูมิ่นไม่ได้นะต้นกล้วยต้นนี้นะก็เริ่มนะข้านี้ก็เริ่มคิดแล้วมันจะต้นกล้วยนัเดือดร้อนต้นอื่นๆด้วยอีกนั่นไงก็แต่ก็มีคนที่คิดอันน่นะงแต่ว่าเราก็ก็อย่าไปคิดตามเขากันแล้วกัน กลุ่มที่อย่างอย่างในอย่างในยุคนี้สมัยใหม่เนี่ยนะพวกที่ถือสาระในวัตถุกรามเนี่ยพวกนี้จะเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเนี่ยนะเนพวกเหล่านี้ก็จะก็ถือว่าไอ้ไอร่างทุกอย่างมันอยู่ที่ที่ไอ้ตัวตัวรูปอ่ะนะเขายกให้รูปเป็นใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถ้าทำลายรูปนะถือว่าจบเลย จะไม่ถ้าคนที่ศึกษาธรรมะนะไม่มีพวกนี้ละด้วยสุตตานียก็ละ a g e ละแต่ละโดยต่ทางข้านะพอคิดถึงคําสอนเอามันไม่ใช่พอคิดถึงคําสอนมันก็ไม่ใช่ก็เลิกคิดตามแบบนั้นเพราะมันเป็นความเมาอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นทิฏฐิชนิดหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นอ่ะนะนั้นผู้ที่ศึกษาพระธรรมไม่มีความคิดอันนี้ไม่ค่อยมี หรือว่าเว้นไว้แต่ว่าไปไปเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันแฝงด้วยลัทธินิกายอื่นอยู่นะถ้าอย่างนั้นะเป็นได้เป็นนักิ น, นตแบบาภาพคิดไม่ใช่คนละอย่างกันคนละในกันคือความคิดตัว น, นี้เนี่ยนะภาพเข้าตะกล้าอย่างนี้เนี่ยก็เห็นเข้าใจนะแต่บางแต่บางแห่งที่ได้ยินมาเนี่ยท่านบอกว่าส่วนใหญ่คิด อ๋คืออัตราของเท่าเท่าที่ฟังนะอย่างที่ที่ผู้การพูดเมื่อกี้เนี่ยอัตราเขาคนละเรื่องกับสิ่งนี้คนละเรื่องกันเลยอัตราของบางกลุ่มที่พูดอยู่ในยุคนี้นะไม่ใช่เรื่องนี้เช่นเห็นเป็นผู้การอัตรานะเนี่ยคืออัตราของเขาเนี่ยจะคนละเรื่องกับกับสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเขาถือว่าการรู้บัญญัตินั่นแหละคือรู้อาตาัตรา คือคือการที่มีบัญญัติเป็นอารมณ์อ่ะนะตามนิยามคําอธิบายของเขาถ้าอธิบายตามเขาอ่ะนะการเข้าไปเห็นเช่นนี่เห็นเป็นอันเนี้ยนี่คืออัตตาเนี่ยเพราะคุณเห็นเป็นเนี่ยเป็นนี่เป็นยี่ห้อเป็นเนี่ยเป็นรูปทรงเป็นรูปร่างเป็นนี่คืออัตตาไออัตตาแบบนี้มันก็เป็นมันคนละเรื่องกับอันนี้แต่ว่าสับพ้องกันเฉยๆก็ก็ก็ถือว่าการรู้บัญญัติเมื่อไหร่นั่นแหละจิตที่ไปรู้บัญญัตินั่นแหละถือว่าอัตตา เพราะฉะนั้นก็จะกลัวถ้าจะคิดตามบัญญัติกลัวว่าจะเป็นอัตตาอันนั้นก็อีกกลุ่มหนึ่งมันมันก็ไม่ไม่ใช่คนละกลุ่มอันนี้มันก็เป็นอีกมันโลกนี้มันเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะถือว่าการรู้บัญญัตินี้เป็นอัตตาเนี่ยนะเห็นเป็นแก้วน้ำเนี่ยเป็นอัตตามันเห็นเป็นต้นไม้นี่ก็เป็นอัตตาเป็นอัตตาไปหมดเลยนี่นะอ้าวถ้าเจริญกุศลก็บอกอัตตามันสับอยู่ในนั้นอีก เอาจนได้แหละเอาจนต้องอัตตาอย่างเดียวโรคกลัวอัตตาก็บอกว่าบางท่านกขาแสว่านั่นแหละมันอัตตาอีกเชนิดนึงเหมือนกันแลวมีนะครจะพูดออกมาในลักษณะที่ที่กลัวโลภที่สุดเพราะว่าเรื่องอัตตามันเกี่ยวกับโลภะใช่ไหมครับเพราะนั่นจะกล่าวถึงโลภจะเน้นมากเลยเรื่องเรื่องในโลภะนี่สาธุขอยกลัวจริงๆที เพราะว่าผู้ที่กลัวโลภะจริงๆนะจักทาที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี<ม>่ยนะนะแต่ว่าปัญหาว่ารู้จักโลภะหรือเปล่าแค่นะั้นแหละเนี่ยนะเพราะว่าไอความคิดที่กลัวบางอย่างเนี่ยนะก็ด้วยกลัวด้วยอานาจของโลภะอีกเหมือนกันะนะนะตั้งใจทาก็ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นอัตตาไปมีเจตนาจงใจอีกเนะี่ย คือค อ, อัตราของกลุ่มนั้นไปคิดตามไม่ได้นี่นะเพราะว่าไม่ไม่มันเป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาเท่านั้นเองอย่างอัตราอีกนี่อีกกลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกคุณนี่มีอัตรามากอย่าไปเชื่อว่าเขากาลังพูดไอ้อัตราที่เรากำลังพูดนะเขากำลังยึดถือว่าคุณเนี่ยมันเจ้าทิฐินี่นะหรือบางอัตราของเขานี่แปลว่า ม, มานะนะอัตราของอีกกลุ่มหนึ่งคนนี่มันอัตราสูงแปลว่าคนนี้อย่าไปยุ่งกับเขานะเขามานะเขาแรงมาก เพราะฉะนั้นไอ้อัตราของอีกกลุ่มหนึ่งแปลว่า ม, มานะ์พรามันมี โ, โลกนี้ไปคิดตามไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นสมาทานมาห้าปีแล้วว่าถ้าอะไรถ้าไม่มีที่มาที่ไปไม่ขอคิดตามนันะคิดตามแล้วก็สงสารตัวเองเหน๋ยวป่วยอย่างเฉพาะชักไม่ค่อยดีอยู่ด้วย เป็นหมดเวลาน